โอกาสต่อจากนี้ไปจะเป็นโอกาสของการฟังธรรมเพราะฉะนั้นการฟังธรรมนั้นให้ทุกท่านนั่งให้สบายบายเพื่อจะไม่เป็นภาระในการในการกังวลในท่าขันร่างกายของเราเองเมื่อร่างกายของเราไม่เป็นที่กังวลเพราะเราได้วางร่างกายของเราให้สบายบายตามความเคยชินของเรา เราจะมีความสบายในการนั่งพับเพียบในการคัดสมาที่อย่างไรก็เราก็สั่งสบา ย, บายหลักสำคัญในพวกเราพากัรรักษาความสงบความสงบทางภายนอกก็เพื่อส่งเสริมความสงบภายในจิตในใจเพราะทุกท่านทุกคนต่างเข้ามาในสถานที่นี้ก็ล้วนแต่ปานาเข้ามาฟังธรรมเพราะฉะนั้นเมื่อปานาฟังธรรมฟังธรรมแล้ว เราแต่ละท่านแต่ละคนก็ต้องมีความระมัดระวังซํารวมกายวาจาของตัวนี้งกายก็คือกิริยานอาการที่แสดงออกไปต้องมีความสํารวมเรียบร้อยสงบเส ง, ส ง, สงี่ยมวาจาของเราก็ต้องงับไว้หยุดไว้เพื่อให้ความเนียบความสงบของสถานที่เกิดขึ้นก็จะเป็นการส่งเสริมความสงบขึ้นมาภายในจิตในใจของเราเองแต่ถ้าหากเราไม่ไม่รักษาแล้วเราอาจจะพูดคุยสนทนา แม้ Man, การพูดคุยสนทนาหรือการทําวิริยาการก็ไปกระทบกระเทือนหรือไปฝังคนอื่นเขาแม้นเชื่อเถิดว่าแม้นคนอื่นเขาไม่แสดงเขาไม่พูดออกมาให้พวกเราทราบแต่ภายในจิตในใจเขาก็คงจะต้องนึกไปในทางที่ม่ดีแก่พวกเราเป็นแน่ น, อน้อยเพราะฉะนั้นในฟาร์มเป็นมงคลที่สุดแล้วก็คือเราต่างท่านต่างคนต่างพยายามรักษาภายนอกคือกายวาจาของเราเองให้ให้มีความสงบ ให้มีความเรียบร้อยจากนั้นเรารักษาใจของเราเองให้อยู่ในปัจจุบันอยาส่งจิตส่งใจออกไปสู่อดีตอานาคตใจที่จะออกไปสู่อดีตอานาคตมันออกไปใ น, งนแง่บุ่มของความนึกคิดปลุกแต่งคิดไปตามเรื่องราว อ, อาดีตคิดไปตามเรื่องราวอนาคตแม้ว่าเรื่องราวต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นจะเป็นเรื่องราวที่น่านดีหรือน่าอร้ายก็าตามก็ให้เข้าใจถือว่าคว้วนแต่ประกอ่ขอกวนจิตกบอกวนใจของเราแม่เข้าถึงความสงบนั่นเอง เมื่อเรารักษาปัจจุบันทั้งกายทั้งวาจาขั้นใจของเราดีแล้วทำที่ท่านแสดงออกไปนั้นก็ย่อมเข้าไปสู่จิตสู่ใจของเรากอบจิตกอบใจของเราหลักสําคัญจิตของผู้ฟังนั้นย่อมได้รับความสงบนี่คือจุดมุ่งหมายในการฟังธรรมของพวกเราวันนี้ที่พวกเราเข้ามาประกอบกิจอันเป็นบุญเป็นกุศลมาทําบุญกันตั้งแต่นิบนครูบาอาจารย์มาเจเริญพุทธมนต์ได้ใส่บาได้ทําบุญถวาย ่ทานกันจนกระทั่งพาถึงการฟังเทศน์ฟังธรรมกันในขณะนี้นั้นพวกเราก็ปาลบันด้วยว่าเป็นวันวิสาขาบูชาแม้นยังมาไม่ถึงเราอีกอาทิตย์หนึ่งก็ตามแต่เป็นโอกาสหรือมีความสะดวกของเราที่เราจะจับวิสาขาบูชาขึ้นมาเพราะความสะดวกในเรื่องภาระหน้าที่ในการงานกา ร, การงานของเราหรือเวลาเวลาของเรา ก็เป็นสิ่งที่น่านุมโมทนาวันวิสาขาบูชานั้นพวกเราก็ทราบแล้วว่าเป็นวันซึ่งสําคัญในพุทธศาสนาเพราะว่าเป็นวันแห่งการประสูติตัศลุปริณิพานขององค์ศาสดาของเราซึ่งมาตรงกันในวันเพ็ญเดือนหกซึ่งถือว่าเป็นความอัศจรรย์อันหนึง่งวันวิสาขาบูชานั้นถ้าเรามาพูดกันอย่างทงแท้ น, นเป็นวันที่ พระพุทธเจ้ามาลื้อเอาความโง่เขาเบาปัญญาออกไปจากบวญมนุษย์หรือมายกมนุษย์หรือมาประกาศอิสรภาพให้เกิดขึ้นมาในมวลบวญหมู่มนุษย์เพราะมนุษย์เหล่านั้นแต่ก่อนแต่กายนั้นก่อนพุทธเจ้าที่จะมาตรัสรู้นั้นมนุษย์เหล่านั้นถูกโมหะความลุ่มหลงมาจากไออวิชาความโง่เขาของเราครอบงําไว้ เพราะฉะนั้นเราจึงอยู่ด้วยความมืดมิดเราจึงอยู่ด้วยความมืดบอดหรือามาประกาศอิสรภาพให้แก่บุตมนุษย์เพราะมนุษย์อยู่มาแต่ไหนแต่ไรมานั้นล้วนแต่เป็นค่าทาาของเทวดาอิ่มพรมยมยักษ์หรือสิ่งที่มนุษย์ไปยกย่องว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มีความสามารถเหนือกว่ามนุษย์เพราะฉะนั้นแต่ไหนแต่ไรมานั้นมนุษย์เราจึงมีแต่เพพึ่งพิงอิงอาศัยไปอ้อนวอนขอร้อง เทพเจ้าเหล่าเทวมาทั้งหลายไม่ว่าสิ่งใดที่ว่ามนุษย์เราคิดว่าเราเองมีทุกโศกโรคภัยอันตรายหรือเรากลัวต่อทุกโศกโรคภัยอันตรายต่างๆทัง้งหลายที่เข้ามาเบียดเบียนเบียดย่ำเราแล้วเราก็ย่อมจะไปหาที่พึ่งต่างๆเราอาจจะคาดหมายว่าสิ่งใดที่มีความศักดิ์สิทธิ์หรือมีอำนาจเหนือกว่าพวกเราเราาก็ไปอ้อนวอนขอร้องให้สิ่งเหล่านั้นแหละ มาช่วยเรามาปัดเป่าทุกหรือมาปองการทุกทั้งหลายอันเกิดขึ้นแล้วหรือจะเกิดขึ้นมาจากเราให้มันหมดสิ้นไปมนุษย์เราจะพึ่งอะไรจะพึ่งอะไรก็ตามก็มาคาดล้วนแต่คาดหมายไปเพราะเราไม่เคยไปสัมผัสสิ่งเหล่านั้นแต่เราก็คาดหมายไปตามความเคยได้ยินเคยได้ทราบมาจากการสืบต่อสืบต่อมาว่าดินฟ้าอากาศ เ, เ, เทวดาอินพรหมยมยักษ์หรือผู้ผีปีศาจต้นไม้สิ่งของเก่าของโบราณ มีความศักดิ์สิทธิ์มีอํานาจเหนือพวกเราเราก็าไปอ้อนวอนขอร้องให้สิ่งเหล่านั้นแหละมาปัดเป่ามาช่วยพวกเราให้พ้นจากความทุกข์แต่มนุษย์เองก็เช่นกันก็อเอาอาศัยนิสัยของมนุษย์เองไปไปใส่ไปใส่ ใ, สให้เป็นนิสัยของเทพเทวดาเหล่านั้นเพราะเราเข้าไปไม่ถึงเทพตัวเทพเทวดาเองเราก็ต้องเอาสันนิสัยของเรามนุษย์เองไม่ชอบเป็นผู้ให้อย่างเดียวแต่ต้องการเป็นผู้รับเพอเพราะฉะนั้นถ้าหาก ใครมาขอแต่เราเรามีแต่ให้เขาให้เขาอย่างเดียวเราก็ย่อมไม่ชอบใจเราก็ต้องชอบใจเป็นผู้รับด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้หลักก็จึงเป็นเหตุให้มนุษย์มีสิ่งของไปแลกเปลี่ยนเอาเอาไปแลกเปลี่ยนก็เกิดการบวงสวงการอ้อนวอนขอร้องการกราบไหว้ต่างๆมนุษย์จะเอาอะไรที่ไปบวงสวงไปอ้อนวอนขอร้องไปแลกเปลี่ยนก็เอาแต่ความชอบของตนเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเอาไปบวงสวงเอาไปอ้อนวอนเอาไปขอร้องเอาไปแลกเปลี่ยนนั้น ย่อมไม่มีมาตรฐานแล้วแต่ว่าสังคม น, นั้นบุคคลนั้นกลุ่มชนนั้นจะชอบใจอะไรก็เข้าใจว่าเทพเทวดายมพยมยมยัยกษ์ก็ชอบใจอย่างนั้นก็อาจจะชอบเป็นชอบไก่ชอบวอัวหมูชอบอะไรต่ออะไรจนกระทั่งในสมัยโบราณเราเคยได้ยินในประวัติศาสตร์ว่าเอาจนกระทั่งเอาหญิงพมจารีไปบูชายันแลกเปดืยนก็เพราะตัวเองชอบหญิงพมจารีเข้ามาก็เลย คิดว่าเจ้าแม่ต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นก็ชอบหญิงมาพรมจารีก็หญิงพร ม, มจารีนั่นไปแลกเปลี่ยนซึ่งต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นจึงไม่มีมาตรฐานแล้วก็ปฏิบัติกันสืบสืบต่อมาแต่พวกเราเข้าใจไหมว่าพระพุทธเจ้าของเรามาจากที่ไหนพระพุทธเจ้าของพวกเรานั้นพระองค์มาจากเจ้าฟ้าราชาพระหมหากษัตริย์เจ้าชายสิทธัตถเพราะนั้นพระองค์ก็ไม่ได้ยกเว้น ในการกราบไหวบูชาอ้อนวอนขอร้องเหมือนกับประชาชนทั่วไปหรือคนทั่วไปในสังคมนั้นๆแต่ในสภาพความเป็นกษัตริย์เป็นพระราชามารคะษัตริย์พระองค์เอาสิ่งที่ไปแลกเปลี่ยนสิ่งที่ไปแลกเปลี่ยนของพระองค์นั้นก็ย่อมมีความปาณี้มีความมากมายมากเหนือยิ่งกว่าประชาชนทั่วไปก็เมื่อเมื่อพระองค์ยังเอาของของดีของดีของปาณี้เหนือยิ่งกว่าประชาชนทั่วไปไปแลกเปลี่ยน ไปแลกเปลี่ยนไปต่อให้ต่อเทพทิวดาห์ผมยมยัยกทั้งหลายเหล่านั้นเพื่อให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นมาป้องกันทุกมาปัดเป่าทุกให้แก่พค์แต่แล้วพระองค์ก็ยังไม่สามารถพ้นจากกองทุกได้ไม่สามารถมาปัดเป่าให้พระองค์หลุดจากกองทุกขหรือหมดสิ้นไปจากทุกได้แล้วประชาชนคนทั่วไปนั้นของด้อยของหยาบ ก, กว่าพระองค์มากไปไกลกองจะไปพ้นจากกองทุกได้อย่างไรเพราะนั้นพระพุทธเจ้านั้นพระองค์จึงไม่เชื่อว่าสิ่งเหล่านั้น จะเป็นการแก้ไขหรือเป็นการปัดเป่าได้แม่พระองค์เจ้าชายเศรษฐะพระองค์จึงเล็งเห็นแล้วว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นล้วนแต่เป็นความโ ง, ขงเขาเบาปัญญาของมนุษย์เพระองค์จึงละทิ้งสิ่งทั้งหลายอย่างนั้นอย่างสิ้นเชิงเมื่อพระองค์ละสิ่งเหล่านั้นอย่างสิ้นเชิงแล้วพระองค์ก็มาข้นขวายข้นขวายแสวงหาลองผิดลองถูกอีกตามปวัติศาสตร์เราก็ได้ยินมาแล้วว่า ในพุทธประวัตินั้นพระองค์ได้ลองผิดลองถูกปรพัพฤติปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นการทรมานกายหรือในการประพฤติปฏิบัติอย่างไรพระ อ, องค์ก็ปฏิบัติไปจนเหนือเจ้ารัตทิต่า ง, างๆทั้งหลายในยุคในการสมัยนั้นไม่ว่าเจ้ารัตทิในสมัยนั้นจะปฏิบัติขนาดไหนจนว่าประกาศตัวเองว่าเป็นพระอรหันต์แต่พระองค์ก็ไม่ปฏิบัติเหนือเจ้ารัตทินั้นพระองค์ก็ยังไม่สามารถค้นจากกองทุกได้พระองค์จึงแน่ใจ ว, ว่าวิธีนั้นไม่ถูกต้อง พระพุทธตาถูกต้องแล้วพระองค์ก็ต้องสําเร็จไปแล้วเป็นพระลาหันไปแล้วเพราะนั้นที่ประกาศว่าพระลาหนพระลาหนนั้นล้วนแต่หันซ้ายหันขวาล้วนแต่หันด้วยความหลอกลวงเั่านั้นพระองค์จึงละทิ้งสิงทั้งหลายเหล่านั้นอย่างสิ้นเชิงพระองค์ได้ลองผิดลองถูกมาถึงหกปีเมื่อลองผิดลองถูกทุกสิ่งทุกอย่างจนเหนือจากเจ้าลัทธิต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นอย่างสิ้นเชิงแล้วพระองค์จึงแน่ใจว่าวิธีการต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นเป็นวิธีการที่มีถูกต้องเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วพระองงค์จึหวเข้าาาม ที่ตัวพระ อ, องค์เองก็มาเห็นลงไปรวมลงลงไปที่ใจของพระองค์รวมลงไปที่ใจของพระ อ, อ, องค์พระองค์ก็เห็นว่าปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างต้นเขาไปเห็นว่าได้ออกมาจากที่ใจพอพระ อ, องค์ก็ได้แบบอย่างมาจากที่พระ อ, องค์ไปกําหนดอนานปานทสติเมื่อครั้งที่พระ อ, องค์ไปแลกนาขวัญโดยบังเอิญนั้นเอาจุดนั้นหลัะมาเป็นมาเป็นต้นเรื่อง ของการกําหนดเข้ามาสู่จิตเมื่อพระองค์มากําหนด อ, อนาปานสติเข้ามาสู่จิตของพระองค์ในฟันเพนเดือนหจนกระทั่งว่ากระบวนการในการปฏิบัติของพระองค์รวมเข้าสู่จิตสู่ใจจนกระทั่งใจเข้าไปถึงสู่ความสงบสมาธิแต่พิจารณาทางด้านปัญญาจนได้ชั้นหนึ่งชั้นสองจนกระทั่งได้ได้ถึงซึ่งความค้นจากอสวาคีเลทั้งสิน้นคือได้ตัดรู้ก่อนตะวันลุ่งแจ้งนะ นั่นแหละวันนั้นก็เป็นวันตรงกับวันวิสาขบูชาคือวันเพ็ญเดือนธงเมื่อพระองค์ได้ตัดสูรู้แล้วพระองค์จึงเห็นชัดเจนว่ามวลมนุษย์นั้นความทุกข์ความทุกข์ยากยำลำบากทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแต่เกิดขึ้นมาจากการกระทําของตัวตนเองแต่แล้วการแก้ไขล่ะเราจะไปอาศัยใครมาแก้ไขเพราะฉนั้นการแก้ไขก็ขึ้นอยู่กับตนเองท่านจึงประกาศถึงการแก้ไขนอัตตาเหตตนนาโถตนแหลเป็นที่พึ่งของตน ห้องงประกาศนึำฟ้าเป็นอิสระของมวลโบว์ ม, ม, ม, มนุษย์ให้พ้นจากความเป็นฆ่าธาตของเทพเจ้าอินพรมยมยักษ์ทั้งหลายอย่างสิ้นเชิงนั่นแหละคือวันวิสาขาบูชาของพวกเราหรือวันวิสาขะบูชาถ้าเราบอกวันประกาศอิสรภาพในหมู่มว ล, ม, ลมนุษย์ให้พ้นจากการเป็นฆ่าธาตของเทพเทวดาอินพรมยมยักษ์ก็ว่าได้ เมื่อพระ อ, องค์ได้ทรงประกาศเลิกธาตุในหมู่บวลมนุษยแล้วพระ อ, องค์ก็ชี้ถึงเส้นทางที่จะไปสู่ความถูกต้องนั้นพระ อ, องค์ก็ทรงเร่งเห็นแล้วนำวิธีการที่พระ อ, องค์ได้ถึงจุดหมายไปทางนั้นมาว่าพุทธันจะทำมันจะสร้างคันจะสรณะนั่งกระโจนโบกบอกว่าถ้าใครเข้ามาถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสารณะที่พึ่งที่นับถือแล้วปฏิบัติตามมรรคในองค์แปด มักมีองค์แปดนั้นขึ้นต้นด้วยสัมมาสมาธิลงท้ายด้วยสัมมาสัมมาสติถ้าเราประมวลลงในถ้าเราประมวลลงขึ้นต้นด้วยสัมมาทิฏฐิลงท้ายด้วยสัมมาสมาธิถ้าเราประมวลลงในใจสิกขาก็คือศีลสมาธิปัญญาเมื่อเราปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาให้เข้าถึงอนิสสัตสีคือทุกขสบุตรไทยนิโรธมักนั่นแหละจะเป็นฟาร์มสุปูนอย่างนี้นี่ พวกเราฟังมาเพียงเท่านี้เราก็น่าจะเข้าใจแล้วว่าพระพุทธเจ้าของพวกเราหรือศาสนาของเราในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้พวกเราไปแสวงหาความสุขแต่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราแก้ความทุกข์เหมือนกับว่าเสื้อผ้าของพวกเราสุขบุตพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้พวกเราไปแสวงหาความสะอาแต่หลักธรรมนั้นท่านสอนให้พวกเราชําระคังสุข บ, บุต เมื่อเราชำระความโสโครกหมดสิ้นไปแล้วความสะอาดเราไม่ต้องไปขุณฝ่ายสเสวงหาเลยหากมันจะเกิดขึ้นมาพร้อมกับความโสกครกดับหมดสิ้นไปความสุขเราไม่ต้องไปนนขุณฝ่ายแสวงหามาเลยมันจะเกิดขึ้นสว่างโล่งขึ้นมาเป็นสุขภาพของใจอย่างแท้จริงเมื่อความทุกข์ดับสิ้นไปจากจิตจากใจของพวกเราเองเพราะนั้นใจของพวกเรานั้นเรามาพิจารณาดูว่าชีวิตของพวกเรานั้นบรรทุกที่พวกเรอะทุกทุกนั้นมันทุกอยู่ที่ไหน ถ้าเรามามองร่างกายของเรานับตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงปาเอ่ปลายเท้าปลายเท้าขึ้นมาถึงศนะีรษะเนี่ยมันไม่ใช่กองทุกข์ฮะมันเป็นเช่นนั้นเองมันเป็นมาแต่ไหนแต่ไรไม่ว่าเราจะเกิดมาหรือเรายังไม่เกิดเราจะตายจากโลกนี้ไปหรือเรายังไม่ตายจากโลกนี้ไปก็ตามร่างกายอันนี้มันคงเป็นอยู่อย่างนั้นมันมีแต่เกิดขึ้นมาตั้งอยู่แล้วก็ถับไปมันเป็นเช่นนั้นเองมันไม่ได้ว่าเป็นทุกข์หรือไม่ได้ว่าเป็นสุขหากมันเป็นอยู่อย่างนั้น มันพอจะเป็นอย่างไรก็เป็นอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาเพราะฉะนั้นมันเป็นธรรมชาธรรมดาของมันเองเราก็มาอยู่เกี่ยวข้องกับเขาเมื่อเรามาเกี่ยวข้องกับร่างกายเราก็มีหน้าที่ที่เราจะบริหา ร, ารามันไปบริหารมันไปเมื่อมันหินวเราก็บริหารด้วยการรับประทานหนาวเราก็บนเหาด้วยกันนุ่งห่มร้อนเราก็บริหาด้วยกัออนากากาอาบอนั่งอยู่ไม่ได้เราก็บริหาน ด, ด้วยการยืนเดินนั่งนอนขับทายหลับนอน ต่างๆนั่นแหะมันเป็นเช่นนั้นเองมาตลอดเวลามันถึงเวลาควรจะแก่มันก็แก่ถึงเวลาควรจะเจ็บมันก็เจ็บถึงเวลาควรจะตายมันก็ตายมันเป็นอยู่อย่างนั้นมันไม่ใช่กองทุกหักมันเป็นเช่นนั้นเองแต่ตัวทุกนั้นเรามาพิจารณาดูว่าชีวิตของพวกเรานั้นที่ว่าเราทุกทุกอยู่ที่ไหนเมื่อเราตัวตาดูอย่างทงเทศแล้วเราจะเห็นว่าทุกนั้นมันอยู่ที่ใจถ้าใจตัวเองไม่มีทุกแล้ว โลกนี้ทั้งโลกไม่มีทุกข์เลยมองมาสู่ท่าฉันร่างกายโอเคเป็นเช่นนั้นเองเขาไม่ใเจตัวทุกข์หะเขาเป็นอย่างไรเขาเป็นอยู่อย่างนั้นเมื่อมองเข้ามาถึงตัวข้างในตัวคือตัวจิตตัวจิตมันจะแสดงลักษณะอย่างไรมันจะแสดงลักษณะถึงความรู้สึกนั่นแหละคือตัวจิตจิตนั่นคือผู้ท่านรู้คือผู้รู้มันจะรู้สุขหรือรู้ทุกข์ ก็นั่นคือตัวจิตเป็นผู้รับรู้เพราะนั้นต้นเขาทุกสิ่งทุกอย่างร้วแต่อยู่ที่จิตพระพุทธเจ้าท่านจงทรงมุ่งเน้นลงมาชําระอยู่ที่จิตก็จิตมันเป็นอย่างไรจิตมันมีความเศร้าบ้องคุณมัวเดือดร้อนขับแคนทุกขุ้มอกุ้มใจเศร้าโศกเสียใจความทุกข์ทั้งหลายเหล่านั้นที่บีบคั้นมาบีบคั้นจนบางคนเป็นบ้ า, เ ป, บาเป็นบอไปก็มีบางคนอยู่เป็นตัวเป็นตนตไม่ได้ครทำอัตวิบัต ทำลายร่างกายนี้ก็มากมายใจก่อนัน่นแหละมันไม่ได้ทุกอยู่ที่ร่างกายมันร่างกายมันไม่มีแตกต่างกันไม่ว่าคนคนสูงคนคนเตี้ยไม่ว่าคนคนหนุ่มคนสาวไม่ว่าคนรวยคนจนล้วนแต่มีความเป็นเช่นนั้นเองเสมอเหมือนกันหมดแต่ที่ไม่เสมอกันไม่เสมอกืออยู่ที่ใจเพราะนั้งใจนั้นที่ว่ามันทุกมันมีขั้นอยู่มันมาจากไหนมันก็ล้วนแต่มาจากอารมณ์ อารมณ์เรื่องราวต่างๆมีทั้งอารมณ์เรื่องราวที่น่ายินดีบ้างอารมณ์เรื่องราวที่น่ายินร้ายบ้างอารมณ์นั้นมีจิตนี้เป็นผู้รับทราบเมื่อจิตรับทราบแล้วจิต ก, ก็ไปยึดมั่นถือมั่นเอาอารมณ์นั้นว่าเป็นเราถ้าอารมณ์ที่น่ายินดีเราก็ต้องการเมื่อบันจ่าไปเมื่อมั น, มนอยู่เราก็ต้องส่งวลรักษาทุตุถลอมไอ้คานส่งผลรักษาความทุตุถนอมก็เป็นตัวทุกข์อันนึ่พอมันจากไปตำหลักอันิีจัง เราก็เป็นทุกข์แต่ถ้าเป็นอารมณ์ที่น่ายินไ ล, ล่เราก็เกิดลังเกียจเราก็เกิดปารผักดันผักไล่ไอาการผักดันผักไล่มันก็เป็นตัวทุกข์อันหนึ่งเพราะฉะนั้นอารมณ์ประเภทใดครอบงําโดยอุ ป, ปทานฝันยึดมั่นถือมั่นในใจพวกเราแล้วก็ล้วนแต่จมอยู่ในกองทุกข์ทั้งสิ้นอารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายเหล่านี้มันมาจากไหนล้วนแต่มาจากความคิดความคิดนี้ มันคิดมันคิดมาจากไหนมันคิดมาจากรูปจากเสียงจากจิตจากรสจากสัมผัสที่มาสัมผัสต่างๆหูจมูกได้ยังแล้วก็เกิดเป็นควาคิดคิดไปตามอดีตคิดไปตามอนาคตก็เป็นเรื่องราวที่สัมผัสรับรู้ในตัวจิตที่เราเรียกว่าธรรมลูจิตนี้ก็ไปยึดตอนนี้ความคิดนั้นมันคิดมันคิดไปไปไปในแง่มมไหนมันคิด ไปด้วยอํานาจหรือไงมุมของโบหะความรุ่มหลงความรุ่มหลงที่เป็นข้อมงงานจิตมาแต่ไหนแต่ไรไอ้ความรุ่มหลงเนี่ยมันมาจากไหนอีกมันมาจากอาวิชชาความไม่รู้จริงความไม่รู้จริงเมื่อไม่รู้จริงแล้วมันก็พาคิดคิดไปตามความไม่รู้เมื่อคิดไปตามความไม่รู้มันก็ห่างไกลจากความจริงไปออกไปเรื่อยห่ออา ง, งกไกลออกไปจากความจริงเรื่อยเมื่อห่างไกลออกไป พวกเรามันคิดอย่างไรเราก็ไปยึดมั่นถือมัน่นตามความคิดอ น, นั้นมันก็เลยยิ่งห่างออกไปห่างไปคามจริงทั้งนี้ความจริงมันมีอยู่มีอยู่กับเราอยู่ตลอดเวลาเราจะตื่นอยู่แล้วหรือเราจะหลับอยู่ความจริงมันก็แสดงอยู่ตลอดเวลาแต่ทั้งๆ ท, ท, ที่มันอยู่กับเราแต่เราก็ไม่เห็นมันเราก็ไปเส่สันปั้นแต่งตามโมหะที่มัน บุงแต่งออกไปอย่างไรเราก็ไปยึดมั่นถือมั่นตามตามความบูงแต่งของจิตนั่นเองเพราะฉะนั้นหลักธรรมนั้นที่จมาแก้ไขามาชำระลงไป่จิตเราต้องย้อนเข้ามาย้อนเข้ามาถึงต้นเขาเหมืต้นเขามาต้นเข า, ม า, ขามาจากอะไรต้นเขานั้นก็มาจากความคิดนึกคิดนึกคิดด้วยอํานาจแห่งโมหะมัอนจึงเกิดเรื่องราวมา้มาไมา้ไก่กองที่มาผูกมัดเราเราก็ต้องมาแก้ไขชำระลงไปที่ความคิด ความคิดนั้นมันก็มีสองประเภทความคิดหนึ่งเป็นเครื่องมือของกิเลสมันก็เป็นตัวส ม, มุทยัยเหตุให้เกิดทุกข์ความคิดหนึ่งเป็นเครื่องมือของธรรมะมันก็เป็นมรรคเป็นข้อปฏิบัติไปชําร ะ, ะตัวส ม, มุทยัยตอนนี้ความคิดความคิดฝ่ายของกิเลสนั้นพวกเราอาศั ย, ย, ยความเป็นพิธิชนคนมีกิเลส เราจมมาจากกิเลสมากี่พวกกี่ชาเพราะนั้นจึงมีความคุ้นเคยมีความชำนิชำนาญในเรื่องของกิเลสกิเลสจึงพาคิดพาปรุงพาแต่งแบบไม่ต้องฝืนไม่ต้องอะไรอะไรเลยมันมีความชำนิชำนาญมากเช่นว่าคนเหล่านั้นจะคิดให้ตัวเองโกรธนั้นจะคิดให้ตัวเองขัดใจนั้นจะคิดให้ตัวเองทุกข์นั้นมันไม่ได้ฝืนเลยมันมีความคล่องแคล่วมีความคล่องแคล่วชำนิชำนาญ แม้ไม่เคยไปฝึกเรียนวิชาโกรธมาเลยไม่เคยไปเข้าเรียนเรียนโรงเรียนโกรธมาเลยแต่คนเราก็โกรธอย่างคล่องแคล่วชำนิชำนาญคิดให้โกรธคิดให้โรคคิดให้หลงที่ไอ้ราคะตัณหามันมีแต่ความคล่องแคล่วนั่นแหละมันกลมเกินคล้องงามกิดดวงนี้มาแต่ไหนแต่อะไรมาแต่ถ้าหากเราค ok. ิดคิดให้ไให้ให้ให yes ้วางความโกรธคิดให้ไม่โกรธคิดให้ไม่โรคคิดให้ไม่หลงอันนี้มันคิดยากแสนยากมันคิดไม่ออก เพราะอุปมาไม่เคยจิตของวเราเพราะนั้นจึงจําเป็นจะต้องอบรมพระพุทธเจ้าของพูกเราจะมุ่งเน้นอบรมลงไปตรงนี้อบรมลงไปที่จิตของพูกเราอบรมลงไปในฝ่ไฝธรรมะเราอบรมอย่างไรอบรมด้วยข้อปฏิบัติข้อปฏิบัติก็ที่พวกเราพากันปฏิบัติเอาภายนอกนั่นแหละเอาภายนอกมาปูพื้นฐานปูพื้นฐานให้แก่จิตซะก่อนถ้าเราไม่มีภายนอกมาปูพื้นฐานให้แก่จิต เรามุ่งเน้นเข้าไปสู่จิตเลยเข้าไปอบรมจิตเลยแต่พื้นแต่ภายนอกของเราพื้นฐานของเรามีแต่ความเลอะเทอะสปกปรกจิตมันก็ไปกังวลกับความเลอะเทอะสกปรกภายนอกเพอเราเราก็ต้องปูพื้นฐานภายนอกก่อนให้อยู่ด้วยความใสสะอาดปราศจากโทษภยัยความใสสะอาดจนไปบรรยากาศปร า, าศจากโทษภัยนั้นมันก็ต้องเกิดขึ้นมาจากความมีน้ำจิตน้ำใจความมองโลกด้วยอัตวยธรรมคือให้มีความเ อ, อื้อเฟื้อสงเคราะห์ ถ้าเรียกว่าการให้ทานขึ้นมาเมื่อมีการเอื้อเฟื้อสงเคราะห์นับแ ต, แต่คนใกล้ๆของพวกเรานับแ ต, แต่ผู้มีพระคุณของเราจช่นในครอบครัวของเราจนกระจายออกไปในวงสังคมในวงหมู่หมูงานจน ก, กระทั่งในมู่สังคมในทั่วไปสังคมของพวกเราจะอยู่ด้วยน้ำจิตน้ำใจอยู่ด้วยการสงเคราะห์เจอจานเอื้อเฟือ้อเผื่อแผ่กันช่วยเหลือกันต่างๆเมื่อการมีอย่างนี้แล้วการอยู่ร่วมกันไม่มีการเบียดเบียน มีแต่การเอื้อเฟื้อมีแต่น้ำจิตน้ำใจปรารถนาดีต่อกันการอยู่ร่วมกันของพวกเรามันก็มีความผูกพันมีความเป่าความสบายไม่ไม่เป็นปฏิโพธิในการเอาลักเอาเปรียบหรือในการคดโกงหรือในการปิดเกี่ยวกันนี่มันก็อยู่ในการอยูใ่ในการปลูพื้ฐานที่สบายอยู่ในระดับนึงจากนั้นเราก็มีการควบคุมกิเลส ข, ของพวกเราเองควบคุมกิเลสให้มีความกดดั้นต่อกิเลส กิเลสแม้จะรรมีความโกรธก็ตามมีความโลภความหลงราคาปัญหามานะทิติตามสภาพของปุถุชนก็ตามแต่พวกเราก็ให้มีขอบเขตมีขอบเขตของมันอย่าให้มันลดขอบเขตออกมาศีลมันจะเป็นขอบเขตของกิเลสถ้าหาพวกเรามีศีลคือมีความอดขั้นควบคุมกิเลสไปให้มันลดลดขอบลู่ขีดออกมาแล้วนั่นแหละเมื่อศีลมีขอบเขตแล้วชีวิตของพวกเราแม้จะเป็นปุถุชนก็ตามเราก็มีความสุข ไม่ใช่ผุ้ทีชนทุกคนแล้วจะต้องมีแต่ความทุกข์จมอยู่ในกองทุกข์ไม่เป็นอย่างนั้นผุ้ทีชนก็มีความถูกได้ <c oughs> ก็สุขในสภาพของผุ้ทีชนเปรียบประดุจเหมือนไฟนั่นเมื่อไฟมันอยู่ในเตาสั้นมันมีเตาเป็นขอบเขตไฟนั้นก็มีประโยชน์ไปใช้หุงต้มแกงกินมีประโยชน์มากมายไกลกองแต่ถ้าไฟล้น เ, เ น, ฟลนเตามันเป็นยังไงไฟล้นเตาเปนเผาตูวเจ้าขอ ง, ขอ ง, ของเผาบ้านเผาเมือพังราลายฉิกหายแบบไม่มีประมาณ กิเลสถ้ามันมีขอบเขตมีด้วยศีลแล้วมีศีลมีเป็นขอบเขตแล้วกิเลวนั้นก็พาให้พวกเรามีความสุขสุขในสภาพของกุติชนสุขในสภาพของผู้คลองเรือนสุขในสภาพของผู้อยู่ในอยู่ใ น, อ ย, ในอยู่ในโลกอบนี้มันก็มีความสุขความเบิกบานความสบายไปได้เ ม, ม, มื่อเมื่อไปอย่างนั้นแล้วเมื่อเราพึ้นฐานดารงชีวิตของพวกเราอยู่ด้วยความสุขยย ga, อยู่ด้วยความเบิกบานอยู่ด้วยความผ่องใสอย่ากนั้น เราจะมาขวนขัดขวนขวายทำมาเพื่อเข้าไปชำระจิตใจของพวกเราให้มายิ่งขึ้นไปเป็นการสั่งสมบุญบา ร, รมีสั่งสมวาสนาบา ร, รมีขึ้นมาเพื่อผูสมหมายด้วยข้อปฏิบัติเราก็มุ่งเน้นลงไปในการปฏิบัติอบรมจิตอบร ม, มใจพราะพวกเราเห็นแบบฉบับมาจากาศาสนาของเราแล้วคือเจ้าชายสิทธัตถะการทุกอย่างจะไม่ใช่จะไปอาศัยใครมาช่วยเหลือเรา ไม่ใช่อาศัยใครมาปัดเป่าให้เราไม <cko S 2> ่ว <the> ่าจะมีเทพเจ้าพระเจ้ากี่บือกี่แสนองค์จะมาดนประดานให้พวกเราเป็นอะไรอะไรก็ไม่ศักดิ์สิทธิ์เท่ากับการกระทำของเราผู้เดียวการกระทำของพวกเรานี่แหละจะเป็นเทพเจ้าที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดเช่นว่าการกระทำของเราลองดูสิเราจะไปอ้อนวอนขอร้องให้เทพเจ้ามาดนประดานให้พวกเราอิ่มได้ไหมแต่ถ้าเทพเจ้าเทพเจ้าเออเทพเจ้าคือกรรมคือการกระทำคือการกินอย่างเดียว องคเดียวเท่านั้นน่ะอิ่นแน่นอนไอ้เทพเจ้าล้านล้านล้านเทพเจ้ามันก็สู้เทพเจ้าองค์เดียวคือกินไม่ได้หรอกแน่นอนเพราะานั่นพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าอัตตาหี่ยวตุนนาโถนี่แหละอัดต้ตนแลเป็นนี่พึ่งของตอนเป็นเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ที่สุดเหนือสามโลกกระทำอันนี้เมื่อเราใช้อันนี้แล้วยกตัวเองขึ้นมาเราจะไม่ไปอ้อนวอนเราจะไม่คอยงองอเท้า คอยที่จะไปอ้อนวอนขอร้องให้ใครมาช่วยแม้เราจะไปอ้อนวอนขอร้องพระพุทธเจ้าก็ไม่ถูกต้องเพราะพุทธเจ้าบอกว่าการตั้งการตั้งพระองค์ขึ้นมาเป็นเป็นศาสดาหรือเป็นสรณะที่พึ่งที่นับถือของพวกเราไม่ใช่พวกเราไปอ้อนวอนขอร้องให้ธรรมเสกมาเป่าให้ท่านมาโดนมาดานแต่เราไปยกเอาท่าน ไปเคอรบดับถือท่านเพื่อเอานําทำทคําสงสารของท่านนะ่ยมาประพฤติปฏิบัติเพอท่านั้นพระพุทธเจ้านั้นพระองค์จึงเป็นผู้ชี้ทางให้แหก่ผู้เราแต่เส้นทางนั้นต้องเป็นการดําเนินของพวกเราแล้วเราจะไปถึงจุดหมายไปทาง น, นั้นเมื่อพวกเราเข้าใจจุดหมายไปทางของศาสนาแล้วว่าพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติขึ้นมาไว้ไม่ใช่ให้พวกเราไปกราบไหว้ไปเคารพไปอ้อนวอนขอร้องแต่พระพุทธเจ้าทรงตั้งขึ้นมาไว้เพื่อให้พวกเรานําไปประพฤติปฏิบัติ ปฏิบัติตามมากอยู่องค์แปดให้เข้าถึงอริยสัจสี่ซ้ำมัพปัญญายปัสสติให้เข้าถึงอริยสัจสีด้วยปัญญาของตนเองด้วยข้อปฏิบัติที่เหลือจะเป็นปัญญาเข้าไปทุปปลุโปโโปรในสิ่งเหล่านั้นเมื่อข้าวาเราเข้ามาหมั่นมีการมีน้ําจิตน้ําใจด้วยการสงเคราะห์เผื่อแผ่ที่เราเรียกกันว่าให้ทานหมั่นสร้างทานเอ ตามกําลังความสามารถของตนเองเมื่อตนเองสละออกไปแล้วในสุดเกิดตัวยังไม่ไม่เดือดร้อนและไม่กระทําให้ผู้เกี่ยวข้ อ, ของกับเราอาจจะเป็นครอบครัวหรือหรื อ, อผู้เกี่ยวข้ อ, ของกับเราเดือดร้อนอันนั้นแหละคือการให้อาถานที่บริสุทธิ์แต่ถ้าการให้ทานพวกเราทานไปแล้วเราเดือดร้อนหรือทานไปแล้วครอบครัวของเราเดือดร้อนอันนั้นไม่ใช่อาถานบริสุทธิ์อันนั้นยังเป็นทานที่ต่างพอ ย, ยังไม่ถูกต้อง ทานที่ถูกต้องทานที่บริสุทธิ์แล้วการให้ทานแล้วเราต้องไม่เดือดร้อนบุคคลพวกเกี่ยวข้องกับเราคนอื่นต้องไม่เดือดร้อนมีแต่ความเชื่อมชื่นเบิกบานผ่องใสเราให้ทานเราไปมีความดีใจมีความเบิกบานนั่นแหละคือทานันบริสุทธิ์คือทานในประเสริฐคือทานในพุทธศาสนาเมื่อเรามีการให้ทานเอื้อเฟือ้อสงเคราะ์กันอย่างนี้แล้วการอยู่ร่วมกันของพวกเรามันก็มีความอูกุ่นจากนั้นพวกเราก็มัน ดูแลอิเล็ของพวกเราใหญ่ลดขอบล้นเขีบมาด้วยศีลมีศีลเป็นขอบเขียบเราก็จะไม่มีเวรไม่มีโทษไม่มีภยัยมาคอยก่อคุณอิตใจของเราด้วยการปฏิบัติร่วงระเมิดไปเบียดเบียนหรือไปปิ่นเกี่ยวกับผู้อื่นเขานี่เมื่อเรามีสองประการนี้อยู่ในชีวิตประจําของพวกเราแล้วคือมีทานมีศีลประจํำของพวกเราแล้ว จิตใจของเราก็มีความปดบป่งในระดับเอาจากนี้เราจะมาสร้างปัญญาคือสร้างความเฉลียวฉลาดสร้างความรอบรู้เพื่อเข้าไปชาําระโมหะความรุ่มหลวงที่ข้อนําจิตใจของเรามาแต่ไหนแต่ไรมานะั้นเราจะเข้าไปชําระได้อย่างไรด้วยข้อปฏิบัติอย่างไรคือการพโพนาเพราะการพโพนานี่แหละจะเป็นก่อเกิดจะเป็นตัวก่อเกิดของวิปัสสนาวิปัสสนาคือความรู้แจ้ง เมื่อรู้แจ้งมาโมหะทั้งหลายความรุ่งหลงทั้งหลายมันลหลุดออกไปเองเพราะฉนั้นวิปัสสนาเกิด ข, ขึ้นมาจากการภาวนาเราภาวนาหรยอจะภาวนาอย่างไรเราก็บอกแล้วว่าปัญญานั้นเป็นตัวสําคัญปัญญานั้นมาจากความนึกคิดอป็นแปลกแต่มันมีความเหลือกว่าความนึกคิดเพราะปัญญานั้นมันมีความแหลมคมมีความแยบคายการคิดพิจารณาออกไปมันจะมีความชัดเจนแม้ปัญญานั้นจะมีอาการเหมือนกับความคิดก็ตามถึงแต่ มันก็เหนือกว่าความคิดเราจรึงเรียกว่าปัญญาเบืองกันนักเรียนนักศึกษามันมีอาการคือเรียนหนังสืออย่างเดียวกันแต่มันต่างระดับกันเราก็เลยให้ชื่อว่านักเรียนนักศึกษานั่นเองเมื่อปัญญาปัญญาที่เข้าไปสอดส่องพิจารณานั้นปัญญาจะขึ้นมาเพราะจิตนั้นมีสมาธิ มีความตั้งมั่นตักแด้ง ม, มั่นคงไม่เอะเอียกวั่นไหวไปกับอารมณ์เรื่องราวที่สัมผัสรับรู้ได้ด้วยจิตที่คอยเกาะกวนจิตนั้นเฮ้ยจิตที่จะมีสมาธิมีความตั้งมั่นได้จิตนั้นต้องมีความสงบเกีก่อนจิตที่จะมีความสงบได้นั้นจิตก็ต้องมีหลักยึดไว้ถ้าจิตไม่มีหลักยึดมันก็เหมือนเรือที่อยู่ในแม่น้ํามันก็ลอยไปตามกระแสน้ํา ลอยไปไปตามกระแสน้าไปกระทบฝั่งซ้ายกระทบฝั่งฝากระทบไปกระทบมาเรือนั้นอาจฟั่มไปในกระแสน้ําก็ได้ถ้าเราไม่อยากให้เรือลอยไปตามกระแสน้ําเราก็มัดเรือไว้กับเสาเมื่อเรามัดเรือไว้กับเสาได้แน่นหนามั่นคงแล้วแม้กระแสน้ําจะไหลเชี่ยวขนาดไหนก็ตามเรือนั้นจะไม่ลอยไปตามกระแสน้ําอีกต่อไปก็ไม่มีโอกาสที่จะไปกระทบฝั่งซ้ายฝั่งฝา แต่ถ้าเรือลอยไปตามกระแสน้ำจนขนาดใดเวลาใดก็ให้เขาใจว่าเรือนั้นหลุดออกไปจากเสาแล้วหน้าที่ของเราคือมัดเรือใหม่เมื่อเรามัดบ่อยเข้าเราก็มีคังมชำนิชํานาญในการมัดมากขึ้นมากขึ้นจนมีความชนิชํานาญที่สุดแล้วการมัดของเราก็จะมีคังแน่นหนามั่นคงเรามัดเรือไว้กับเสาก็จะไม่หลุดอีกต่อไปเมื่อไม่หลุด ไม่หลุดแล้วแม้นกระแสน้ำจะไหลเชี่ยวขนาดไหนรุนแรงขนาดไหนเรือนั้นก็จะไม่ลอยไปตามกระแสน้ำต่อไปจิตของพวกเราก็เช่นกันจิตที่มันเล่ร่อนออกไปกับความนึกคิดปรุงแต่งเพราะจิตไม่มีหลักยึดเมื่อมันลอยมันเล่ร่อนไปกับความนึกคิดปรุงแต่งมันก็กไปทบกระทบกับอารมณ์หน้ายินดีบ้างน่ายินร้ายบ้างกระทบไปกระทบมาฟั่งไปนะ็นกระแสอารมณบเปนบ้าไปก็มีฆ่าตัวตายก็มีนั่น จิตมันฟั่มไปในกระแสอารมณ์เมื่อเราไม่อยากให้ป่าทนาไม่ป่าถนาให้จิตลอยไปตามความนึกคิดมุงแต่งเราก็หาหลักยึดไว้ให้จิตให้จิตยึดไว้ในในในหลักใดหลักหนึ่งโดยเอาบทธรรมใดก็แตะแล้วแต่เราจะเอาพุะโตพุะโธคําบริกรรมขึ้นมาเป็นหลักยึดของจิตหรือกําหนดอนาปานสติมาเป็นหลักยึดของจิตก็ตามเมื่อเรากําหนดแล้วมีความถนัดมีความคล่องแคล่วมีความชัดเจนอันนั้นแสดงว่าหลักนั้นเป็นหลัก ท, ที่ถูกต้องของเราเป็นหลักที่สมบูรณ์ของเราเช่นเรายกเอาคําบริการวัปปิโทพุทโธมาเป็นหลักที่ของกิจในขณะที่เราบริการพุทโธเรานั่งอยู่เรานึกในใจว่าพุทโธพุทโธบริการเราต้องมีความรู้สึกว่าชัดเจนมีความรู้สึกว่าคล่องแคล่วสะดวกในการกําหนดบริการวัปปโทพุทโธแสดงว่าพุทโธนั้นถูกจัดน <ER ิสัยเราให้มุ่งเน้นลงไปในการบริกรรพุทโทพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโทอยู่ภายในจิตของเรา เมื่อจิตไม่หลุดออกไปจากพุทโธแล้วจิตก็จะไม่เล่ยร่อนไปกับความนึกคิดปรุงแต่งแน่นอนมันก็ไม่มีโอกาสกระทบกับอารมณ์หน้ายินดีหน้าิร้ายจิตก็อยู่กับพุทโธได้อย่างได้อย่างต่อเนื่องแต่ถ้าขณะใดจิตมันหลุดออกไปจากพุทโธมันก็จะเล่ยร่อนไปกับความนึกคิดปรุงแต่มันก็มีความคิดนั้นคิดอันนี้คิดอดีตคิดอนาคตมันก็ต้องไปกระทบไปสัมผัสรับรู้ในอารมณ์หน้ายินดีหน้าร้าย นี่แสดงว่าจิตถูกออกไปจากพุทโธแล้วหน้าที่ของเราคือเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นที่พุทโธพุทโธใหม่เมื่อเรามีการเริ่มต้นอย่างนี้เราก็ค่อยๆมีความทันทีทันายคล่องแคล่วมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งมีความคล่องแคล่วมากเราก็จะอยู่กับพุทโธได้อย่างตลอดว่าเรังเมื่ออยู่กับพุทโธได้อย่างตลอดเราฟังการพาวนาของเรามีความต่อเนื่องไม่ขัดว่าขัดตอนแล้วจิตก็จะละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปความละเอียดของจิตเราก็สัมผัสถึงความร่มเย็นเบิกบานที่เขามาหล่อเลี้ยงจิตหล่อเลี้ยงใจแทนที่อารมณ์เรื่องราวขึ้นตก เมื่อเรา้าเพียรภาวนาไปเรื่อยอวันห ร, รือวันละเล็กวันละน้อยจะตามกําลังของเราจิตใ จ, จของเรานับวันมีความเบิบบานผ่องใสามากขึ้นมากขึ้นแม้ภายนอกของเราจะเป็นเหมือนทุกคนหรือเป็นเป็นอย่างไรก็าตามก็มีแต่การได้มาเสียไปเสียไปได้มามีแต่มีแต่สัมพันธ์กับความรักความชังก็อยู่แบบนั้นแหละแต่สิ่งเหล่านั้นจะไม่สามารถมาครอบงาําจิต ให้ยุ่งเหยิงวุ่นวายไปกับสิ่งเหล่า น, นอีกต่อไปเพราะจิตนั้นมีพุทโธหรือมีความร่มยังมีเครื่องหล่อเลี้ยงแล้วจิตก็อยู่พออยู่แต่กับความเบื่บานความผ่องไสไปได้เมื่อเราหมั่นภาวนาไปเรื่อยบ่อยเข้าจิตละเอียดเข้าไปละเอียเข้าไปถึงที่สุดแล้วอีกก็จะรวมตัวเข้าสู่ความสงบอย่างแท้จริงเมื่อจิตรวมตัวเข้าสู่ความสงบจนอยู่ในความสงบจนอิ่มพอของจิตจิตนั้นถอนออกมาจากความสงบที่เขาไปรวมตัวแล้วจิตนั่นแหละ จะมีแต่ความตั้งมั่นหนักแน่นมั่ น, นคงที่เราเรียกว่าวัาสมาธิพอจิตมีสมาธิแล้วเราจะอยู่ที่ไหนเราจะเกี่ยวข้องกับอะไรต่ออะไรก็ตามชีวิตประจําวันเมืเราจะเบี่ยนไปแบบหน้ามือเป็นหลังมือชีวิตแต่ก่อนของพวกเราทุกคนเราหลีกเลี่ยงจากโลกธรรม ท, ทั้งหลายไม่ได้โลกธรรมแปลมีได้ลาบเสื่อมลาบได้ยกเสื่อมยศได้สรรเสริญได้ดินทานได้สุขได้ทุกอันนี้เป็นธรรมดาของโลก จิตที่ไม่มีไม่มีความตั้งมั่นไม่เป็นสมาธิแล้วพอไปสัมผัสกับสิง่สงเหล่านี้สิ่งเหล่านี้แหละจะมาทับถมมาฝากฝันเอาจิตของเราให้หวั่นไวเอ็นเอียงทุกยากเศร้าบ้องขุ่นบัวเดือดร้อนไปกับสิ่งทั้งหลายเหล่านั้น ส, สิ่งทั้งซึ่งจริง ๆ, งๆแล้วสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นมันมีคู่โลกคู่สงสายมาแต่ไหนแต่ไรมามันเป็นเช่นนั้นอีกแต่พอจิต เป็นสมาธิแล้วแม้นสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันก็มีเป็นธรรมราเป็นธรมรมดาของโลกแต่เมื่อมันมาสัมผัสกระทบกับจิตจิตเป็นเพียงผู้รับรู้แต่จะไม่หวัดไว้ไปกับตั้งสิตที่ได้หรือสิ่งที่เสียสิ่งที่รักหรือถึงที่ชังเมื่อจิตสัมผัสรับรู้ในสิ่งต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นได้ด้วยความเป็นปกติของจิตเราเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเราจะเกี่ยวข้องได้ด้ยความแยกคายลอกข้ออันนี้แหละที่เราเรียกว่าปัญญาเพราะนั้นปัญญาเกิดขึ้นมาจากการคิด จากการพิจารณาไม่ใช่ว่าจิตสงบแล้วอยู่เฉยๆปัญญาจะเกิดไม่ใช่อย่างนั้นจิตเมื่อสงบแล้วเราต้องคิดเราต้องพิจารณาในสิ่งที่มาสัมผัสหรือเราสัมผัสกับสิ่งหนั้ น, นเราก็มาพิจารณาพิจารณาเห็นตามสภาพความเป็นจริงของมันเรามาพิจารณาดูตามสภาพความเป็นจริงของมันนับตั้งแต่ร่างกายของเราออกไปจนกระทั่งทุกสับสิ่งที่เรม า, เรามาเกี่ยวข้องที่เรารวมกันเรียกว่าโลกนะมีสิ่งใด ที่เที่ยงมีสิ่งใดที่ทนอยู่ในสภาพเดิมของมันได้มีสิ่งใดที่เป็นไปดังที่เราป่าเถืนถ้าเรามาพิจารณาอย่างชัดเจนตามหลักความจริงนะเราจะว่าไม่มีเลยทุกสับสิ่งในโลกนับตั้งแต่ร่างกายของเราล้วนแต่อนิจังมันไม่เที่ยงแต่เพราะมันบัดทนอยู่ในสภาพเดิมของมันไม่ได้เราเป็นหนุ่มเป็นสาวจใจมันอยู่เป็นหนุ่มเป็นสาวตลอดไม่ได้ เรานั่งอยู่อย่างนี้เราจะให้มันนั่งอยู่อย่างนี้ตลอไปไม่ได้เพราะมันทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ท่านยังเรียกว่าทุกขังเมื่อมันทนเดิอยู่ในสภาพเดิมมันไม่ได้มันยังต้องแปลเปลี่ยนไปแปลเปลี่ยนไปที่ยังเรียกว่าอ่านิจังไม่เที่ยงก็เพราะฟ้าไม่ไม่เที่ยงมันจึงเป็นไปเช่นนั้นเองมันไม่เป็นไปดังที่เราปาฏณาลอเราไม่ต้องเราเราต้องการหรือไม่ต้องการหากมันเป็นเช่นนั้นเองเรายังเรียกว่าอ่านนัตตามันไม่เป็นอัตตาตัวตน มันเป็นอย่างไรมันก็เป็นเพราะถ้าเมื่อเราเข้าไปพิจารณาเห็นชัดเจนแล้วโลกเขาเป็นอยู่อย่างนั้นเองเราเป็นเพียงแค่ทางผ่านของเขาการได้หรือการเสียมันก็รว้แต่ทางผ่านการลักลึกชันมันก็รู้แต่ทางผ่านเราเพียงเพียงผู้เข้าไปรับรู้เขารักผ่านมาแล้วก็ผ่านเราไปชังผ่านเรามาแล้วก็ผ่านเราไป ได้ผ่านออกมาแล้วผ่านเราไปเสียผ่านออกมาแล้วก็ผ่านเราไ ป, าาาไปทุกสิ่งในโลกนี้ล้วนแต่เราเป็นทางผ่านของเขาทั้งนั้นก็เมื่อมันเป็นทางผ่านเราเป็นทางผ่านของเขาแล้วเราจะไปยึดเอาสิ่งเหล่านั้นว่าเป็นเราเป็นของเราได้อย่างไรเมื่อเราพิจารณาอย่างนั้นแล้วแม้ฟาร์มเหยียบรุนแรงขนาดไหนผ่านมาเราก็จะไม่ยึด เราก็เพียงไปรู้ว่าอ๋อสิ่งเหล่านี้เขาเรียกแบบนี้เขาเรียกว่าเกียรนะแล้วก็ตัดไปมันจะไม่คาอยู่ในใจของเราลักผ่านมาเราก็รับรู้ว่าอ๋อนี่ว่ารักนะสมมติว่าวันลักนะแล้วก็ผ่านมาแล้วก็ค่อยไจะผ่านไปไอ้นี่ได้นะมันผ่านมาเราก็รู้ว่อ๋อนี่ได้นะมันผ่านมาเรารับรู้แล้วก็มันจะผ่านไปไอ้นี้เสียนะมันผ่านมาเราก็รับรู้แล้วก็ต้องผ่านไปเมื่อเรารับทราบอย่างนี้แล้วในขณะที่สิ่งใดผ่านเข้ามา เราจะเอาประโยชน์จากเขาได้เราก็รีบเอาประโยชน์สิ่งใดที่มิจะต้องจากไปเราจะเอาประโยชน์จากการจากไปเราได้อย่างไรเรากา็รีบเอาประโยชน์เพราะฉะนั้นเมื่อบคุคคลที่พิจารณาเห็นด้วยปัญญาแล้วบคุคคลผู้นั้นอยู่กับโลกเขาจะได้ประโยชน์จากโลกนี้เขาอยู่กับรักเขาจะได้ประโยชน์จากรักเขาอยู่กับชังเขาก็จะได้ประโยชน์จากชังเขาอยู่กับ อสุภะเขาจะได้ประโยชน์จากอสุภะเขาอยู่กับอสุภะเขาก็จะได้ประโยชน์จากอสุภะเขาจะไม่แบกสิ่งเหล่านี้ต่อไปแต่เขาใจอาศัยสิ่งเหล่านี้มาเป็นประโยชน์ของเขาเพราะฉะนั้นนั่นแหละคือบุคคลผู้ฉลาดบุคคลผู้ฉลาดก็คือบุคลลบ ค, ลล ค, บคลที่เดินตามศาสดาไม่ได้เดินตามเท พ, พเจ้าหรือไม่ได้เดินตามเทพเทวดาอินพรมยมยัตแต่เดินตาม พุทธันจะทำมันจะสร้างขัญจะสรณนังคโตเมื่อเราเดินอย่างนี้แล้วเชื่อเติดชีวิตของพวกเรานั้นเราจะเป็นผู้ประกาศความอิสระของพวกเราตามเสด็จพระบุริเจ้าอย่างแท้จริงเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วชีวิตของพวกเราเป็นอิสระไม่เป็นค่าทาสใครเลยเราจะเป็นอิสระอย่างแท้จริงแม้กระทั่งกิเลสเราก็จะไม่เป็นข่าทายของกิเลสอีกต่อไป S <S เมื่อเรามีข้อปฏิบัติชำระจนกระทั่ท ง, ทงเราเป็นเราเองเป็นตัวเป็นตนเป็นเป็นตัวเป็นต น, ต น, ตนตอย่างแท้จริงดังเช่นพระพุทธเจา้าสงสาวกทั้งหลายนั่นแหละคือฟวามพอคือฟวามหยิบของพวกเราจึงเป็นฟวามประเสริฐที่สุดที่พระพุทธเจ้าของพวกเราถึงแล้วเมื่อพวกเราท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังแล้วพากันน้อมนําเอาโอวาทเอ า, เอาธรรมของพระพุทธเจ้าไปปรปฏิบัติด้วยตวงตัวเองด้วยอัตัยอัตัยเหี่ยวตุลาโถ ตนแล้วเป็นที่ผืนของตนไม่งอมือคอเท้าคอยติดไปอ้อนวอนขอร้องให้ใครท่านใดท่านหนึ่งหรือเทพเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งมาคอยดลบันดาลให้พวกเราแล้วกว็เชื่อเถอะว่าพวกเรามีโอกาสที่จะถึงซึ่งความพ้นทุกข์เมื่อเราถึงซึ่งความพ้นทุกข์แล้วเราไม่ต้องไปหาความสุขมาจากไหนหากความสุขจะเกิด ข, ขึ้นมาในขณะที่ถูกดับเป็ น, นั่นเองเมื่อเราได้ยินได้ฟังแล้วว่าขอโอมัตทิโกน้องเข้ามา น้องมัก็้องเข้ามาสู่ตัวแล้วก็ไปปฏิบัติก็หวังว่าพวกเราก็จะถึงอัตถิธรรมได้รับแต่ฝากสุขความเจริญด้วยกันทุกท่านทุกคนการแสดงธรรมานั้นก็เห็นว่าพอสมควรเก็วเวลาจึงขอยุติเอวังก็มีด้วยปากาละเชน่นเข้าใจไหมวันนี้แสดงธรรมะไปวันนี้ถึงวันวิสาขา เลยพูดง่ายๆว่าเป็นวันประไกาศอิสราภาพในหมู่มนุษย์เพราะกระทบอันหนึ่งคือทุกวันนี้เนี่ยเอย้ใครอยู่ในอยู่ในกลุ่มอยู่ในกลุ่มวัดป่าหนองไผ่บ้านที่เขาออกในอินเทอร์เน็ตออกในอะไรออตอนนี้จะเห็นว่าที่วัดของอาตมากำลังบอกบุญกันบอกบุญร่วมสร้างบ้านให้ชาวเนปาลคือตอนที่เนปาลเนื่อย บ้านเมืองถลบมด้วยด้วยด้วยไอ้นี่ก็มีออกไปช่วยทีแรกไอ้เราก็ช่วยนะเราก็ประกาศบุญอยู่ในในวัดเราโดยเราจัดเป็นบุญบุญมาติกาบางสกุลเพื่ออุทิศไปให้แก่ผู้วายชนหรือพวกประสบไ้เหตุแผ่นินไหวนั้นก็รวบรวมปัจจัยกันก็ได้เยอะทีเดียวเราก็มอบไปให้สภาการชาติไทยจากนั้นคณะหมูลูกศิษย์มูลูกศิษย์ ที่วัดเนี่ยคือกลุ่มมูนิธิรุ่มแม่น้ำคงเพื่อการพัฒนาแบบ ย, ยั่งยืนมูนิธิอันนี้ก็เกิดขึ้นมาจากตั้งแต่ครั้งกู้ระเบิดกู้ทุนระเบิดต่างๆที่ปารอบมาจากประเทศแต่ว่ากลุ่มใหญ่ก็คือกลุ่มลูกศิษย์ที่วัดเลยตั้งเป็นมูนิธิอันนี้ขึ้นมาตอนนี้จากนั้นมาคือมูนิธิอันนี้ก็เอหยุด หยุดะ ง, งักไปหลังจากการการเก็บทุนระเบิดเก็บอะไรตัวอะไรต่างๆจนกระทัง่ ง, ง, งไปส่งเสริมการการศึกษาอยู่ที่ทางเขมรแล้วเมาพูดทั้งหมดงานการทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อจบไปก็ก็เงียบไปพอตอนนี้พอแผ่นดินไหวนี้กลุ่มลูกศิษย์เนี่ยก็ลงไปลุยลุยในในใ น, ในปาลก็เอาของอะไรตัวอะไรไปอะไรตรัวอะไรก็ไปไปเห็นปัญหาอีกหนึ่งนะคนเราไปช่วยที่ในปาลเห็นปัญหาอะไรเห็นปัญหาว่า พวกเราไปช่วยเขาเนี่ยเราเอาของที่ถูกใจเราไปแต่ไม่ถูกใจเขาอ่าเนี่ยเราเอาของกินที่ถูกปากเราแต่ไม่ถูกปากเขาเอาของกินของเราไปโู้ไปทิ้งเกินการมาหม่าของเราเขายังไม่กินเลยว่าอะไรของเขาถ้าถูกปากของเขาที่เขากินอยู่เป็นประจำนะแค่น้ำผิดถ้วยเดียวเขากินได้ทั้งครอบครัวแล้วใช่ไหมล่ะไอ้ของเราเอาของไปเนี่ยโดยเฉพาะไปเอารูปไปแบบรูปลักษณะของรัฐบาล รัฐบาลขนไปเนี่ยโอ้ยเต็มเครื่องบินสี่รอยสามสิบนะเป็นลำลำลำขึ้นไปเลยไปผุ้งก็ต้องทําวิธีคอยให้รัฐบาลเขามารับเป็นพิธีโอ้ยปารัฐบาลก็จะมารับอีกเป็นอาทิตย์มาแล้ปพอมารับแล้วก็ต้องโอ้ยไปแจกเป็นพิธีนะต้องปลาใบอะไรไอะไรว่าออกมาไอไอรัฐมนตรีเลยสสอไม่เอาไปให้แต่พวกมันพวกอย่างก็ไม่ได้มันปัญหาเยอะแยะไปอะไรอะไรแต่พวกเราพอลงไปลุยปุ๊บเนี่ยลงไปเห็นปัญหาไอเนี่ยเราเอาของกินไปไปทิ้งเกินกาหมดเลย พราด้ไอ้ที่ว่ารัาฐบาลเขจะเก็บภาษีเนี่ยเพราะอะไรเพราะพวกเราเอาไปเขาไม่เอาอะ่ะเอาไปกองไปเดี๋ยวเราพวกเราจะแอบไปเป็นสินค้าอีกเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาเข้าใจโหดใจไรของบริจาคแล้วยังมาเก็บภาษีไม่ใช่อย่างนั้นเราเอาไปถูกใจเราจะไม่ถูกใจเขาะถูกปากเราไม่ถูกปากเขาอะเพราะฉะนั้นทีมของเราลงไปเนี่ยไอ้เรื่องปาท้องเรากำเงินไปเลยเรากำเงินไปแล้วก็ไปเพื่อไปฟื้นฟูช่วยเศรษิจเขาด้วยให้เหงินมันหมุนเวียนให้ของมันหมุนเวียนเราไปถึงปุ๊บ ไปเลยแม้ข้าวสารมันจะแพงขึ้นหน่อยก็ตามเราก็ทําให้เขาดึงการค่าขายได้ไปซื้อข้าวสารมาใหม่กันเลยก็แจกคนเลียครอบครัวละสามทกกิโลสามทุกกิโลแอะก็เป็นแถวแถวไปแล้วก็อะไรตอนไรเราก็เราก็จัดไปก็ไปเร่ยนเห็นปัญหาอันหนึ่งบอกว่าปัญหาหนักที่สุดคือเขาไม่มีที่อยู่เพราะบ้านมันทําพังลาบพนาศูนย์ไปเลยให้คนเราทํำไมมีบ้านเป็นที่อยู่ที่อาศัยแล้วก็พอหากินหาปากหาท้องเลี้ยงปากเลี้ยงท้องไปได้ แต่ถ้าไม่มีที่อยู่ที่อาศัยเรียกว่าช่วงนี้ไปเนี่ยเป็นช่วงฆ่าตัวตายเลยนะทําไมฆ่าตัวตายแผ่นดินไหวมาปุ๊บบ้านพังทลายหมดพ่อตายแม่ตายลูกตายเมียตายผัวตายเลยเหลือตะกูอูอยู่ทําไมวะบ้านเรือนก็ไม่มีอยู่ไม่มีอะไรของอยู่ของเยอแล้วโอ๊ยตายดีกว่าเนี่จะเป็นช่วงฆ่าตัวตายเพราะฉนั้นต้องไปช่วยให้เร็วที่สุดบอกว่าไปช่วยช่วยรูปแบบไหนดีถ้าเราไปสร้างบ้านให้เขา สร้างบ้านให้เขาเขามีที่อยู่ที่อาศัยแล้วเขาไปเขาไปไอ้ไอ้ไอทุ่มเทหาอะไรต่ออะไรยอยู่ได้เป็นนี้ทีมหมอเปียร์ลไอ้พระหมอเปียร์ลต์นะเราคงจะรู้จักใช่หไหมพระหมอเปียร์ลเนี่ยเขาพาหมู่พว ก, กลงไปลงไปก็ร่วมคณะสงฆ์ น, นู้นไปเขาไปไ ป, ไปเห็นปนัญหาอันนี้มันกันเขไป ร, รู้กับทราบโดยการไปเจ็บไอ้ที่มันพังพังพังอะไรต่ออะไรมาพอมาว่าะมาเกาะ อ, อะไรต่ออะไรมาทำเนี่ยก็ตกหลังละหนึ่งมื่บาทแล้วตอนนี้ท่านไอ้ ไอ้ท่านไอ้อดินมานอยู่วัดบวรนี่ท่านเป็นพวกสกยาสกุลเป็นชาวนีปานที่มาบวชเป็นเลขาสังฆราชท่านก็เอาลงไปเหมือนกันท่านไปลงไปขอบนอกไปบ้านนอกท่านก็เห็นพังทลายไป็นบวชอะไรต่อท่านก็ไปเอาไอ้นี่เอาจำไว้มาเก็บไอ้หน้าต่างเก็บอะไรที่มันยังอยู่ยังใช้จ่ายอะไรต่ออะไรได้แล้วก็มาทามาทําอะไรต่ออะไรลงทุนอีกประมาณหลังละห้าพันบาทท่านก็บอกมาทางวัดเราแต่ทางวัดเราทิมงานออกไปเนี่ย เราบอกว่าไอ้พ่อตั้มก็แบบอยู่ทั่วคราวแต่พวกเราเคยไปสร้างให้เมื่อเมื่อสามปีก่อนไอ้รูปแบบบ้านเนี่ยยังมีอยู่ในในใ น, ในโทรศัพท์ธุรมดเมื่อสามปีก่อนเราเคยไปสร้างให้เขาสามสี่หลังปรากฏว่าเป็นนิ่ไวครั้งนี้อะไรข้างๆมันพังแต่บ้านนี้ไม่พังเราก็เลยไปสร้างให้เขาโดยการว่าเริ่มต้นเนี่ยให้ให้ใหชาวบ้านเขามาช่วยออกแรงมาทำ โดยที่ว่าเราไม่ให้ไม่เสียค่าแรงแต่เราจะไปซื้อวัสดุเราก็มาเฉลีย่ยหลังหนึ่งละประมาณเจ็ดหมื่นบาทหลังละเจ็ดหมื่นเราก็บอกบุญไปในหมู่ลูกศิษย์เริ่มต้นตอนนี้เราจะสร้างห้าสิบหลังก่อนตอนนี้เราขอบอกบุญไปรู้สึกได้สักสักประมาณสักอาทิตย์เศษเนี้ยอาทิตย์เสศษ ต, ตอนนี้เห็นว่าได้ได้สามสี่สิบหลังแล้วนะสี่สิกว่าหลังได้ยนะังไง แล้วถ้าครบห้าสิบหลังเราก็จะวางโครงการต่อไปเนี่ยคือชาวในปานอันนี้ก็เป็นโครงการของที่วัดอยู่แต่ของของที่วัดเนี่ยมันมีมันมีสองโครงการโครงการที่อหนึ่งโครงการที่เราใช้มูลนิธิมูลนิธิรุ่มแม่นั่งรุ่มแม่นั่งผงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนนี่เราสร้างให้ทั้งหลังเลยหลังนั่งเจ็บมือแล้วอีกมูลนิธีหนึ่งของของท่านอนิมานอันนี้หลัง หลังนึงแต่ว่าเป็นประกอเอาของเก่ามาอะไรท่านนะครับแบบชั่วคราวเลยอันนี้ตกหลังละห้าพันบาทเราก็ทั้งสองฝั่ง เ, เมื่อเมื่อเมื่อสองวันก่อนเราก็โอนไปให้ท่านอนิมานเนอรู้สึกว่าได้เกือบร้อยหลังอันเดียวที่เราทําทำจัดจัดบุญที่วัดจัดบุญที่วัดเราจัดเป็นไอไอไอมาติกาบางสุลแล้วเราโอนไปให้ด้วยนั้นนี่คือการบุญที่วัด เพราะใ น, นคนเราเนี่ยนะบอกการช่วยเหลือน้าจิตน้ําใจของคนเราเนี่ยถ้าเราไปช่วยคนกาลังทุกเนี่ยเขาเห็นคุณค่าถ้าเราไปช่วยคนคนกำลังสุกเนี่ยเขาไม่เห็นคุณค่าเหมือนคนอิ่มนคนที่เขากินข้าวกินน้ําสํารานอยู่เนี่ยโอ้ยเราเอาโต๊ะกินเอาอาหารเอาปานี่ไปใส่ปากเขาก็ไม่รู้จักคุณค่าเลยแต่ถ้าเราคนกาลังหิวจะตายเอาน้ําไปให้เขาช้อนสองช้อนโอ้ยชื่อนอกชื่นใจอันนี้เหมือนกันในขณะนี้เป็นขณะที่กําลังทุกที่สุดเลย เราพอที่ช่วยเหลือเขาได้โดยถึงแม้เขาจะเป็นต่างชาติก็ตามแต่เราคิดว่าเออยังไงก็มันซึ่งสายสายเลือดของพระบิเจ้าของพวกเราเหมือนเราตอบแทนพระบิเจ้าเหรเนาะเอาไปต <c oughs> เอเเล่าให้ฟังพอประมาณเหรอ <c oughs> อันหนึ่งเขาดีขาดาวดีพาน <c oughs> เขาบอกว่าเขาบอกผู้ที่ไปไปไ ป, ไปเห็นนะเขาบอกมันแตกนะ ไอ้ที่ถึงของพุชพวกพุชจูรุอะไรตั้งอะไรของเหม่ยหม่ยอะไอ้ที่เหม่มันเลี้ยวไปทางนั่นอะแต่ของพวกมุจลิมเนี่ยไว้บวกพอยตัดศาสนาอื่นมาพังทลายเป็นกองกองกองกองขยะเลยเราบอกว่าอันหนึ่งเนี่ยสภาพจิตเนี่ยสภาพจิตเนี่ยเกิดจิตไหนอะไรต่ออะไรกมีมีความรู้สึกอันเดียวกันนักชอบชังเหมือนกัน อตนนี้สภาพสัตว์เดยสารสภาพสัตว์อะไรตัวอะไรที่ถึงอย่างมนุษย์อะไรเทวดายะมันก็จิตดวงเดียวกันเองมันต่างกันที่เรือนของจิตเรือนที่อยู่อาศัยของจิตเหมือนกับบ้านบ้านเนี่ยเป็นที่เป็นเรือนเป็นที่อยู่อาศัยของคนแต่บ้านนี้มีหลายประเภทมากเลยบ้านวางบ้านเขาเือหาดบ้านเออเึกแถวบ้านกระตูกกระต๊อบบ้านอะไรตัวอะไร่มันมีหลายประเภทมากเลยแต่ผู้ที่อาศัยก็คือคนเหมือนกันหมดเลยเข้าใจไหม ตอนนี้คนที่ไปอยู่อาศัยบ้านแต่แตกต่างก็เพราะคุณภาพของคนนั้นคนนั้นมีเงินมากคนนั้นมีความมีความสามารถมากเขาก็ไปอยู่บ้านใหญ่บ้านโตตอนนี้คนที่ไปอยู่บ้านจะไปบ้านบ้านใหญ่บ้านโตเนี่ยเขาก็อาศัยบ้านนั้นใช้เป็นประโยชน์เขาเขาได้กว้างไกลมากขึ้นไอ้คนที่ไปอยู่บ้านเล็กบ้านน้อยเขาก็อาศัยใช้ประโยชน์จากบ้านบ้านนั้นแหละได้น้อยลงสั้นลงจิตเหมือนกันจิตที่ไปอาศัยอยู่เรือนเรือนของจิตเนี่ยมากมายกับกองหลายประเภท ตั้งแต่นับตั้งแต่เทพเทวดาอินพรมยมยั ก, กษ์จึงกระทั่งมนุษย์อยงนี้ทั้งสัตว์ดิบดิบนเตลัสรวดกายก็ล้วนแต่เป็นเรือนของจิตตอนนี้จิตเนี่ยสภาพจิตเนี่ยเหมือนกับคนเนี่ยไอ้คนที่มันอยู่อาศัยอยู่ในบ้านไอ้คนจะบ้านอยู่บ้านใหญ่บ้านโตบ้านเล็กบ้านน้อยมันก็มีความรักความชังเหมือนกันมีความสุขความทุกข์เหมือนกันไอ้จิตที่ไปอาศัยอยู่ในเรือนประเภทไหนก็ตามมันก็มีความรักความชังมีความมีความชอบมีความกดความเกลี่ยอะไรเหมือนกันใช่ไหมล่ะแต่ตัวนี้ ไอ้จิตที่มันอยู่ในเรือนที่ด้อยมันก็ใช้ไอ้เรือนนั้นเป็นประโยชน์ได้น้อยไอ้จิตที่ไปอาศัยอยู่ในเรือนที่ใหญ่ที่ที่ที่ดีมันก็ใช้ได้กว้างไกลเช่นว่าจิตที่มาอาศัยอยู่ในเรือนมนุษย์มันก็สามารถใช้สภาพเรือนเนี่ยไปได้กว้างไกลมันใช้สมองพื่อคิดปรุงอะไรต่ออไรไปได้เยอะแสดงออปได้เยอะไอ้จิตที่ไปอาศัายเรือนที่อยู่เป็นสัตว์ทะเลชาน มันก็ใช้ไปได้ใกล้ประเดยสั้นมันใช้ไอไอไอจิตไอใช้สมองเนี่ยแสดงถึงความความเกียรความชังความรักอะไรได้สั้นยี่กว่ามันไอจิตที่อยู่ในใกายบนมนุษย์แต่ว่าจิตนั้นมันมีความรักความชังเหมือนกันมีความชอบความไม่ชอบเหมือนกันแล้วคิดดูว่าไปฆ่ามันจะไปฆ่ามันที่เดียวอะเราวันสองวันอะไรตั้กี่แสนตัวใช่ไหม น, หนั่นแหละบูชาอย่างไรเจ้าแม่เจ้าแม่กาลีเจ้าแม่อะไรเดีอยวมาว่าเจ้าแม่อัปปี เออก็ดูเรื่ยมันมันมันมันเบียบเบียนมันมันช่วยเราเราได้เลยนั่นแหละรัฐพลังของจิตแต่ละจิตที่มันมีความเครียดแค่มีความฉันที่ไปเบียดเบียนอยนีตั้งกี่แสนจิตที่มันรวมไปพร้อมกันน่ะมันรวมไปมันจะมีพลังขนาดนั้นนี่อันนี้อาตมาว่าเป็นสาเหตุเป็นไปได้ที่มันไปรวมกันเป็นพลังเป็นรวมกับธรรมชาติเข้าไปเลยมีอิทธิพลกว้างใหญ่มาใช่ไหมเบื่อกับต้นไม้ต้นนึง จริงๆแล้วต้นไม้ไม่มีอะไรหรอกแต่ด้วยความหลงว่าคนไปโอ้ออิีฐานจิตอะไรอะไรไปเพ่งไปไปไพลังของจิตที่ไปรวมนเงี้ยก็เลยทําให้มีอิทธิพลจริงๆแล้วไม่ใช่ไม่ใช่อิทธิพลอยู่ที่ต้นไม้หรอกอิทธิพลอยู่ที่พลังจิตไอ้นี่เหมือนกันกจิตที่มันมีความเคียดแค้นมีความชังมีความโกรธอะไรอะไรอ่ามันก็แช่งไปมันก็สาบแช่งมีวิปาะธนาไล่อะไรเพ่งไปเพ่งไ ป, ไ ป, ไปมันก็น่าจะมีอิทธิพลเหมือนกัน เออเราอย่าไปคิดว่าสัตว์อิเลชชันมันไม่รู้เรื่องรู้ราวมันแสดงออกไม่ได้ใช่ไหมละ่ะเออมันแสดงออกแต่มันเ อ, เอาเอาเอาเอาสภาพกายของมันมาแสดงออกแบบมนุษย์เราไม่ได้แต่มันก็มีความรักความช่างเหมือนกันนั่นแหละใช่ไหมละ่ะ อ <energy> <pal> like and no no right. ันนี้เพราะว่าพวกเราจยอยากเอาแต่ตัวเอมเกจินนะว่าเอ้ยฉันฉันรู้จักรักฉันรู้จักช้งแต่สัตว์หรือช้างมันไม่รู้จักรักจักรช้างเลยไม่ได้ตัวเอมเกจินเห็นแก่ตัวเกินไปพ่อครับอันนี้แสดงว่าทุกสิ่งสิ่งมีพลังจิตของตัวเองถูกต้องถูกต้องตอนนี้ไอ้ที่ว่าพลังจิตเนี่ยไอ้พลังจิตพวกเราไม่ได้รับการอบรมมันจึงไม่สามารถแสดงแสดงตัวตนมาได้เหมือนกับพูดง่ายๆทุกคนมีแรงกายอยู่ มีแรงกายอยู่แต่เราไม่ได้รับการชุบอบรมเพราะฉะนั้นเราจึงเอาแรงกายของเราแสดงออกไม่ได้แต่นักกีฬาก็ได้รับการอบรมเขาจึงสามารถรวมแรงกายเขามาโอา้แสดงเป็นโอ้ต่างๆนาน า, น า, น า, นาได้แบบอัศจรรย์ใช่ไหมตอนนี้พวกเราว่าเราแสดงไม่ได้เราว่าโอ้ยไม่มีไงกำลั ง, กำ ล, งกำลังกายมันน่าไม่มีแต่คนที่กันได้รับการอบรมเขามีอ่ะใช่ไหมไอ้นี่เหมือนกันใจของเรามีเราว่าโอ้ยไม่มีกําลังคนเราแสดงไม่ได้เราเอาตัวเองไปไอคนที่เขา เขาได้รับได้รับการอบรมมีใช่ไหมเช่นผู้ที่ปฏิบัติรำภาวนาถึงถึงไอไอ อ, อภิญญา5้าอะไเนี้ยเขาก็มีพลังก็เอกพลังจิตตัวนี้แหละฝึกไปเรื่อยๆก็จะเพิ่มพลังไปทีถูกต้องพอมันเป็นสมาธิมันมีความตั้งมั่นมีความหนักแน่นมั่นคงอยู่มันจดจ่อไปเหมือนกับขณะนี้ของเราเหมือนกับแม่น้ํามันไหลทะลุ ป, ปลูนไปไหลทิศไหลาทางมันก็ไม่มีไม่มีพลังไม่มีอำนาจไม่มีกําลังลองปิดกั้นมันให้ไหลออกทางเดียวเป็นเขื่อน ไปเรื่อยแล้วกําลังมันจะไม้ถูกต pues ้องเราอดทนได้ซูได้ใช่เหมือนกับร่างกายฝึกอดทนไปเรื่อยเดี๋ยวกระไมาเองข้างหลังเนี่ยเข้าใจไหมอ้าวคงจะรับผ่อนเลยมั่เดี๋ยวจะเกิดเวลาทํางานมาเยอะเดี๋ยวเป็นนายจะมาด่าไม่รอด่าพวกเรามาด่าที่ไครูบาอาจารย์ด้วยไม่เอารับผ่อรับพ่อรับ ยะถาวาริวาหาปูราปาริปูเรนติสาขันลัง เอวเมวอิโตทิมนางเปตาหนังอุปากปะปฏีอิธิตังปฏิตังตุมหังกิปเมวสรมิฉตุสัพเพภูเรตุสังกปาจันโทปนรโสยะธามนิโชติระโสยะถาสัพพิตโยวิวัชชนตุสัพพโลโควินัสตุมาเตปันตราโยสุขีทีขายุโกภวะ อะิวาตนาสิริศาสนิจังวิทาปจายุโนปัตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนยสุขังภาลังภาวะตูซาปะมังครังปราคันตูซาเผเพวตาราพะพุทธานุภาเวนะซาปะธรรมานุภาเวนะซาปะสังขานุภาเวนะสตาโสธี อาวานตุเตาอาวห้อยู่ดีมีสุขมีความสุขความเจริญการดำเนินชีวิต ก, การดำเนินงานปฏิบัติงานกองตัวเองให้มีแต่ความเจริญก้าวหน้าตลอดไปด้วกกันทุกท่านทุกคนเนอะสาธุ